อ๋พวกเรานั่งเรียบร้อยก่อนที่จะพักไปทานอาหารเที่ยงกันเพราะว่าเราจะมาพูดได้ยาวแล้วเพราะว่าไม่มีเพลงล้วก็ฉันเช่าแล้วก็ไม่ฉันเพลงไงที่ว่าไม่มีเป็นเพลงมีเนี่ยก็จัดไว้เยอะแต่เราพระไม่ฉันเราจะพูดโดยตรงนู้นแหละเราก็จะมาฟังเรื่องของการจะเรียนสติอีก อันหนึ่งเรียกว่าการเจริญสติด้วยอิริยาบถคือการเดินเพราะวันนี้เราก็จะมีชั้นสมชั้นสี่แล้วก็ชั้นล่างแล้วก็ชั้นนี้ให้พวกท่านได้เดินแล้วเวลาเดินเวลาให้เดินเนี่ยนะบางคนพอพูดถึงเรื่องการเจริญสตินึกถึงแต่เรื่องนั่งต้องเดินด้วยนะีย คือให้สติมันอยู่กับกายได้ทั้งขณะที่เดินทั้งขณะที่นั่งทั้งขณะที่นอนยืนเดินนั่งนอนในอิริยาบทใหญ่เราต้องนึกภาพอย่างนี้เรานึกภาพในชีวิตจริงของเราตามบ้านเวลาอยู่บ้านในชีวิตจริงแล้วสติมันจะต้องมีไปใช้ในชีวิตจริงเรามาที่นี่เพื่อมาฝึกมาฝึกก็ที่นี่ก็ฝึกให้ได้อยู่ในสองอย่างคือนั่งกับเดิน การเดินจเจริญสติก็จะว่าไปตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นแหละคือสังเกตการเคลื่อนไหวของเท้าเท้าเราเคลื่อนไหวอย่างไรก็รู้อย่างนั้นใครที่ไม่เคยเดินจงกรมไม่มีแล้วทีเนี้ยนี่ผ่านมาจากสำนักนโนนก็เดินแล้วนี่เดินยังเคลื่อนเดินแล้วใช่ไหมแต่วันนี้เราเดินไม่ไม่เอาคำบริกรรมไม่เอาคำภาวนาลองดูสิมันง่ายง่าซื่อ เรายืนอยู่รั้วยืนอาส า, าสมัครหน่อยสิเอาเองก็ได้ว่า <c oughs> เอาดูนะ <c oughs> คนที่เคยบริกรรมมาไม่ได้ว่าของพวกเราผิดแต่วันนี้ไม่ออกอย่างนี้นี่คือตัวเราสิ่งแรกที่เราจะต้องนำกลับมาคือสัมปชัญญะความรู้ตัว ให้มันมาอยู่ที่ตัวเราตัวเราทั้งตัวทั้งแท่งตั้ ง, ง, งอยู่บนพื้นเนี่ยรู้ครั้งแรกเลยรู้ในการยืนแล้วก็รู้ยืนของเรานนหนักหนักของเราที่วางอยู่บนพื้นปูนขยับขวาเท้าขึ้นมาให้จิตมันรู้สึกนี่รู้กบรยืนใช่ไหมรู้นี่รู้การยืนแล้วก็ปฐมมจิตคือจิตแรกของการที่จะเดินโยมือเพื่อจรินสติต้องมีปฐมมจิต จิตแรกก็คือการตั้งใจว่าเราจะรู้สึกกับการเคลื่อนไหวของเท้าตั้งแต่ยกย่างและเหยียบลงไปหนึ่งก้าวนี้เราจะรู้สึกอย่างนี้แล้วเราก็ทดสอบยกขึ้นรู้สึกลองทดสอบดูว่าเมื่อส้นเท้ายกขึ้นแล้จิตรู้สึกกับส้นเท้าที่มันยกขึ้นเป็นอย่างไรได้ก็ยังถ้าไม่ได้เราวางลงไป ยกขึ้นมาใหม่ให้จิตรู้สึกซอมอย่างเงี้ยให้จิตรู้สึกเมื่อยกขึ้นย่างใบรู้สึกเหยียบลงรู้สึกความรู้สึกอย่างนี้แล้วโดยโมหะที่มันอบรมเราอยู่มันนานหลายภพหลายชาติที่เราเดินปกปติอพอยกปั๊ บ, ย, บย่างปั๊บยังไม่ทันอะไรเลยไอ้ส่นนี้มันเป็นไงมันมาก่อนแล้ว นี่มาเองโดยไม่มีสติรู้เรียกว่ามาด้วยอำนาจของโูห์ฮะเราไม่เอาพอมันมาด้วยโบห์ฮานี่เราไม่เอาใช่ไหมเราใจเย็นเรามีเวลาเยอะทั้งวันอะ่ะเราเหยียบมันลงไปโอาคไม่จิรู้สึกยกขึ้นมารู้สึกสบายๆนี่รู้สึกไปเหยียบลงไปรู้สึกรู้สึกอย่ายกมันก่อนโดยที่ไม่รู้สึกทีนี้ ทำไมเขาจึงนิยมคําบริกรรมเพราะคําบริกรรมเนี่ยมันจะทําให้เรายกหนอใช่ไหม ย, <especially. S 1> ย่างหนอเหย <Sometimes>. ียบ <something. S 2> หนอถ้าตราบใดยังไม่มีหนอมันเลยไม่ยกเ <laughs> ข้าใจเป่าเข้าใจไหมเพราะฉนั้นเราสังเกตว่าพ อ, อเรายกหน อ, ย, หนอ <laughs> ย่างหนอเห <laughs> ยียบหนอพราะไม่มีหนอมันเลยไม่ยก แต่เราไม่เอาหนองไม่เอาอะไรทั้งนั้นเลยเราเอาแค่จิตรู้ที่จะอยู่กับการเคลื่อนไหวของเราดูว่าเราจะเพิ่มความเข้มข้นในความเพียรของเราได้ขนาดไหนยกขึ้นก็รู้สึกย่างไปรู้สึกได้เหยียบรงรู้สึกเข้าใจไหมยกขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกขั้นแรกในการเดินนะั้นเราจะต้องกงาหนดทิศทางการเดินาหรอกใกล้ๆแ่นี้ก็ได้ไงใกล้ๆกัน แล้วเมื่อเราเดินไปสักระยะหนึ่งแล้วมันเมื่อยมือเงี้ยในขณะที่เดินควายไปอย่างนี้ไม่ออกเวลาจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งสมมติรเราจับหน้างี้เมือ่อยแล้วเราต้องหยุดหยุดเสร็จแล้วก็ให้จิตเนี่ยเคลื่อนด้วยสติมือเคลื่อนด้วยสติอย่างนี้เสร็จแล้วค่เดินต่อเดินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจิตเราก็จะรู้รู้รู้ รู้รู้รู้แล้วเวลาเราเดินจากสมมติเราจากต้นตรงนี้ไปสุดตรงนี้พอไปถึงสุดแล้วหมุนต้องรู้ด้วยนะถ้าใจป่าวหมุนก็ต้องรู้รู้รู้รู้ถ้าในระหว่างที่เราเดินอยู่เนี้ยตรงนี้เราอาจจะไม่รู้เท่าไหร่รู้บัางหรืรู้บ้างใช่ไหมแต่ไปถึงตรงนันมันจะรู้แน่นอนเพราะฉะนั้นการเดินจะเดินสติ มันจึงหวังเส้นทางการรู้ของจิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดปลายทางของเราเราก็จะรู้ตรงนี้ชัดเจนรู้ตรงนั้นชัดเจนถ้าตรงนั้นชัดตรงนั้ชัดถ้เราเดินไปเรื่อยเรื่อยเื่อืไอ้ตรงกลางนี่มันจะค่อยๆชัดขึ้นมาค่อยคชัดขึ้นมามันสังเกตเวลาเดินลงกลมสุดทางตรงกลมของเราจะเป็นที่ที่เรารู้ชัดที่สุดในการเดินแต่ไอ้ตรงกลางกลงนี่มันหลุดมั่งไม่หลุดมั่งหลุดมั่งไม่หั่งไม่ได้ แต่ถ้าเราใช้ความเพียรเดินต่อไปเรื่อยๆความชัดของจิตที่รู้นั้นกับสิ่งที่ถูกรู้จะเท่าเท่ากันตั้งแต่จุดเริ่มต้นก้าวทุกก้าวทุกขยะมันจะมันมันโตขึ้นมาแล้วมันจะเท่ากันแต่มันก็ต้องไปด้วยอานาจของความเพียร น, นะและทำเวลาให้เป็นศูนย์เวลาที่เป็นศูนก็คือเวลาที่เป็นปัจจุบันแท้ๆเท้า กิริยาที่ยกขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้กับจิตที่รู้เนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันไม่มีเวลาในนี้มันไม่เป็นอดีตไม่เป็นอนาคตมันเป็นปัจจุบันแ ท, แท้แต่ถ้าจิตรู้ออกจากสิ่งที่ถูกรู้มันหลุดออกไปเมื่อใดเมื่อนั้นมันก็เป็นอดีตเป็นอนาคตมันเราเดินไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะบอกว่า วันนี้เมื่อวันก่อนนั้นเดินกี่ชั่วโมงสุดท้ายก่อนกลับรอบสุดท้ายที่ไปเนี่ยสมชั่วโมงเนี่ยนี่ไปเดินอยู่กับเรานเนี่ยสามชั่วโมงเนี่ยดูแก่ๆอย่างเงี้ยฮะเหรอสมชั่วโมงแล้วไปเดินอยู่เนี่ย เดียวๆ เ, เลยเนี่ยวันละอย่างน้อยก็เดิน3าชั่วโมงส่วนันนี้่คยเดินสุดเท่าไหร่ส่วนหกหกชั่วโมงอันนี้ไม่ต้องไปพูดถึงมนแล้วที น, นี้สามชั่วโมงไปรอบหน้าก็อาจจะขึ้นมาเป็นสี่ชั่วโมงหชั่วโมงนะเดินแล้วรู้สึกเหมือนไม่นาน ฮะก็เวลามันสั้นลงจริงๆเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะคนนี้ไม่พูดก่อนเดี๋ยวให้เก็บไปอีกสักสองสามรอบก่อนอแต่ว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากรับไอ้พวกรุ่นนี้ไปมั่งไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้มันไม่กล้าไปอะพวกเก็บไปเนี้ยเพราะไม่มีเวลาไงพวกนี้นงานก็บางคนก็ไม่ต้องทำแล้วเพราะฉะนั้น เราจะต้องเดินแล้วก็นั่งวันนี้นะแล้วก็มาฟังกันเดี๋ยวเราจะเดินสักจนถึงเที่ยงนะเที่ยงนะใครที่เดินไม่ไหวเดินไม่ได้มีไหมฮะใครเดินไม่ไหวเดินไม่ได้บอกใครที่เดินไม่ไหวเดินไม่ได้มีไหม ใครเดินไม่ไหวเดินไม่ได้ก็จยให้ทำอีกอย่างหนึ่งฮะไม่ใช่ถามให้ถามกลับถามให้ตอบใครที่เดินไม่ได้ฮะเออเออนี่เราถุงนั้นมาให้ประคำให้มันนั่ง p a r อยู่ในสายตาเลยนั่งแถวเดียวกันเลยเนี่ย นั่นแหละเ่วันนั้นออกไปยังแล้วไม่พกมาดิให้ยือมอันนี้สำหรับผู้ที่เดินไม่ได้นอกจากนั่งแล้วให้ใช้ภาวนาประกรรมแทนเป็นหลักสูตรเฉพาะของอาตมานี่แหละนะมาสงสารคนที่เดินไม่ได้จะลำบาก เอาดูสาหรับคนที่เดินไม่ได้เนี่ยนั่งอย่างนี้นั่งเก้าอี้ใช่ไห ม, มแล้วก็ยกขึ้นมาอย่างนี้เราเห็ให ม, ใม่ใหม่ไหมนะตั้งลงไปนิ้วนางเฮ้ยนิ้วกลางนิ้วกลางตั้งเสร็จนิ้วชี้แตะปั๊บรู้สึกนิ้วชี้แตะปั๊บรู้สึกกำหนดในใจพุดธ แล้วก็ดึงมาดึงมาในเม็ดเดียวกันนะนิ้วหัวไม่มือแตะปั๊บรู้สึกกําหนดในใจว่าโทแล้วก็นิ้วหัวนิ้วชี้ดันไปอีกเม็ดที่สองแตะปั๊บรู้สึกกําหนดใ น, ในใจว่าหุดดึงมานิ้วหัวไม่มือแตะในเม็ดเดียวกันนี้ปั๊บจิตรู้สึกกําหนดว่าโทเงี้ย พุทโธพุทโธแต่ข้อสาคัญต้องซื่อสัตย์กันต้องตกลงกันพอสุดท้ายแล้วพวกนี้มันจะเอาเดี๋ยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโทไม่เอาต้องนิ้วแตะปั๊บจิตต้องรู้สึกนิ้วที่แตะจิตต้องรู้สึกนิ้วที่แตะเนี่ยแตะปั๊บจิตรู้สึกถ้าเครไม่เอาพุทโธก็ได้รู้สึกนี่ในเมตตาการเนี่อรู้สึกอย่างนี้ เห็นไหมเห็นป่ะเนี่ยยอมดูดูตั้งใจดูแล้วจะเห็นชัดเนี่ยเรายกขึ้นมาอย่างนี้พอมันเมื่อยเสร็จต่อไปก็จะอยู่อย่างนี้ได้หมดแต่ควรจะยกให้ให้เส้นประคำนี้มันล อ, อยขึ้นมาจิตจะได้ความปลอดโปรง่งแรกๆเราก็เอาช้าหน่อยแต่ให้เอาพุทธกับโทวางสาเหตุเพราะว่า เมื่อจิตภาวนาไปเรื่อยๆพูดกับโทรก็จะหายไปจะเหลือเฉพาะแค่รู้ทีนี้อันนี้เนี่ยมันใช้ได้หลายกรณีใช้ดับสภาวะก็ได้ดับสภาวะเช่นอยู่บ้านขี้โกรธปะ่ะมีมีหุดหิดัหมอยู่บ้านกับใครบ้างมีไหมไม่มีเลยเหรอเฮ้ยไปชี้ผิดคนนลวอ่ะ อยู่คนเดียวเหรอไม่สองคนอ๋อไม่ได้คุยกันเลยยมมีหุดหงิดไหมอยู่บ้านโอ้บ่อยมากคนนี้บ่อยมากเวลาหุดหงิดทำไมสมมติว่าอันตามานี่หุดหงิดกับชาไม่มาดเฮ้ยว่ามันเลื่อยเลยทีนี้ไม่ว่าแล้วเว้ย สมมติว่าหุดกิจเหนื่อหน้าใช่ไม่มากแล้วมันหุดกิจไม่ว่ามันแล้วจนกระทั่งความหุดกิจหายไปพอเห็นความหุ่นกิจหายไปปั๊บไงอามิตรพุทธ <laughs> แปลว่าขอบคุณพุทธองค์เอาเอาจิตรู้ ที่พากพนานกับพระคำเนี่ยโดยอาศัยคําของพุโทโธไปครับทุกท่าดับสภาวะเราก็จะเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่อยู่ในอํานาจของจิตสติจิตจะอยู่ในอํานาจของสติไม่อยู่ในอํานาจของอารมณ์เกิดความหงุดหงิดเกิดความกโกรธเกิดอะไรขึ้นมาก็ช่างหามุมไม่ได้แล้วก็ แรกๆมันก็จะทีหน่อยนะมันมั น, มนอารมณ์มันแรงอยู่ใช่ไหม <c oughs> แล้วก็พอมันหยุดได้แล้วพรอแล้วเบาบางลงแล้วมันก็จะช้าลงช้าลงช้าลงช้าลงช้าลงช้าลงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการพุทธโธพุโทโธพุโทโธในเม็ดเดียวกันเนี่ยพุโทโธพุทแล้วถ้าใครภาวนาไปเรื่อยๆภ า, าวนาวันหนึ่งเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนภาไปถึงสามเดือนครบสาเดือนนะอาหนี้ไปใส่ขันกลายเป็นน้ำมนต์เลย มันเต็มไปด้วยบุตโตเอ้ามันไม่มีอย่างอื่นเลยนะเนี่ยแล้วภาวนาไปบางคนมีสีเปลี่ยนด้วยนะว่ากันไปเรื่อยแต่ถ้าท่านใดที่เดินไม่สะดวกเดินจงกลมไม่ถนัดให้ใช้รูปกรรมแทนได้ไหมเอามีใครที่เดินไม่สะดวกมานะเอาทุกคนลองจับดู เนี่ยจับนะตั้งไว้ที่ปลายนิ้วนางไอ้นิ้วกลางเอาลองจับตั้งไว้ที่นิ้วกลางและเอาปลายนิ้วชี้แตะที่เม็ดใดเม็ดหนึ่งเม็ดแรกแตะปั๊บรู้สึกแล้วก็ดึงมานิ้วหวม่มือแตะปั๊บรู้สึกแล้วก็ดึงมานี่เหมือนกับการที่เรียกว่าเอาจิตยกเข้าสู่มโนวิตก เหมือนกันแต่จะต้องมีจิตที่รู้สึกนิ้วชี้แตะปั๊บรู้สึกดึงมานิ้วโหวดมือแตะปั๊บรู้สึกเนี่ยแรกๆเราอาจจะต้องดูหน่อยหนึ่งพอมันได้แล้วมันก็ไม่ต้องดูแล้วสบายแล้วใหม่ๆใส่คำบริกรรมไปหน่อยนิ้วชี้แตะปั๊บรู้สึกนึกในใจพุทธ นิ้วชีแต่อ้นี้วไว้มือตามไปรู้สึกแล้วก็โทพุดแล้วก็โทพุทแล้วก็โทพุทแล้วก็โทรพุทเป็นเทคนิคสําหรับการดับสภาวะหยาบไม่ปล่อยให้จิตตกอยู่ในอํานาจของอารมณ์เกิดความโกรธความเกลียดความอิจฉาความริษยาถ้าจิตมันเห็นแล้วมันมีอํานาจมากเราไม่รู้จะทําอย่างไรแล้วก็ดึงมันกลับมาเนี่ย ยกจิตเข้าสู่มโนวิตุกเหมือนกับเตาที่หดอวัยวะทง่าเข้าไปในกระดองไม่ปล่อยให้อารมณ์อันเป็นกุศลอันเป็นดังสุนักจิ้งจกเข้ามาแผดเผาจิตของเรา อ, อันนี้สำหรับท่านที่เดินไม่ได้ก่อนแล้วก็สามารถเอาไปปฏิบัติทั่วไปได้ เราจะต้องทำความรู้สึกในใจของเราในขนาดนี้นะเรากำลังจ ะ, จะเจริญสติด้วยการเดินโดยใช้ร่างกายของเราเป็นเครื่องมือในการฝึกเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีอะไรมากตรงนี้ได้นี่แค่นี้พอแล้วพอแล้วนี่นนนเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีอะไรมากแค่เรารู้สึก ทุกขณะที่เท้าของเราเคลื่อนไหวเมื่อส้นยกขึ้นเรารู้สึกย่างไปรู้สึกแต่ตอนแรกพอเรายืนเสร็จแล้วเราสำรวจอิริยาบถแรกของเราคือยืนให้เรารู้สึกฝวาเท้าของเราที่เหยียบลงบนพื้นน้ำหนักของเราที่เทลงมาที่ฝ่าเท้าวางนี่คือแท่งกายที่อยู่ในอิริยาบถยืนจากนั้นเราเริ่มรู้สึกต่อการเคลื่อนไหว ด้วยการยกส้นเท้าขึ้นและลองก้าวไปให้ใจมันรู้สึกคนที่ไม่เคยเดินหรือเดินแล้วรู้สึกแกว่งก็อย่า ก, ก้าวให้มันยาวก้าวสั้นๆได้สั้นๆช้าๆไม่ต้องรีบสั้นๆช้าๆไม่ต้องรีบยกส้นขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกแล้วก็เหยียบลงรู้สึก จากนั้นก็ยกจิตไปที่อีกข้างหนึ่งยกส้นขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกส้นขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกส้นขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกประคองตัวเองตาพยายามอย่าไปมองที่เท้า มองไปข้างหน้าประมาณ 30-45 ถึงองศาที่มันสบายสบายตาตาเราที่มองอยู่นั้นมันเป็นเพียงแค่กำลังสำหรับที่จะให้รู้ในการเดินไปเป้าหมายเท่านั้นเองแต่จิตรู้ที่มีกำลังจะไปอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเท้า เหมือนเราขับรถอยู่บนถนนนั่นแหละเราจะมีความสนใจหลักอยู่ตรงเลนของเราส่วนเรื่องอื่นๆนั้นมันเพียงแค่รู้แค่เห็นแล้วก็ผ่านไปเหมือนตาที่มองอยู่บนพื้นตอนนี้มันมองเพียงแค่แค่รู้ในเส้นทางเฉยๆแต่จิตรู้ที่เป็นเมนหลักจะอยู่ตรงการเคลื่อนไหวของเท้า ที่มีการยกขึ้นก้าวไปแล้วก็เหยียบยกขึ้นก้าวไปแล้วก็เหยียบยกขึ้นก้าวไปแล้วก็เหยียบยกขึ้นก้าวไปแล้วก็เหยียบมีการรู้สึกตลอดใส่ใจในการยกส้นขึ้นใส่ใจในการที่เท้ามันก้าวไปแล้วก็ใส่ใจในการที่เท้ามันเหยียบลง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 หากว่าเราได้ยินเสียงจิตเกิดหลุดออกไปหาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ช่างไม่ใส่ใจในอารมณ์นั้นแรกๆยกจิตกลับมารู้การเคลื่อนไหวของเท้าทันทีไม่ว่าอารมณ์อันใดปรากฏจิตเข้าไปเสวย อ, อารมณ์นั้นๆหรือพูดงด่ายว่าจิตหลุดออกจากการเคลื่อนไหวของเท้าไปใส่ใจไปรู้เรื่องอะไรก็ตาม ไม่ใส่ใจเรื่องเหล่านั้นยกจิตกลับมาที่เท้าทันทียกขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกเมื่อจิตเกาะอยู่กับการเคลื่อนไหวของเท้าอย่างนี้แล้วมันมีความคิดอื่นเกิดขึ้นในขณะที่จิตรู้อยู่ที่เท้าความคิดเหล่านั้นจิตแค่รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้น พอจิตรู en, ้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นความคิดนั้นดับไปจิตรู้ว่าความคิดนั้นดับไปแล้วก็ยกกลับมาที่เท้ายกรู้ในการเคลื่อนไหวของเท้าทันทีแต่โดยปกติถ้าจิตรู้การเคลื่อนไหวของเท้าอยู่ในขณะที่ยศยกส้นขึ้นรู้สึกในขณะที่ก้าวเท้าไปรู้สึกมีความคิดเกิดขึ้นจิตจะเห็นความคิดนั้นเมื่อจิตเห็นความคิดนั้นความคิดนั้นดับไปจิตก็กลับมาอยู่ที่การเคลื่อนไหวของเท้าต่อไป อันจิตจะไม่ไปปรุงแต่งในอารมณ์ใดๆจะเห็นตามความเป็นจริงในสภาพธรรมที่ปรากฏทั้งหมดว่ามันเป็นเพียงแค่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแล้วกลับมารู้การเคลื่อนไหวของเท้าเท่านั้นทำอย่างนี้จิตก็จะเข้าสู่การภาวนาที่ชื่อว่าจะเริญนสติด้วยอิริยาบถคือการเดิน เมื่อถึงที่สุดทางเดินของตนเองยามหมุนก็ต้องรู้จิตรู้จะอยู่กับเท้าที่เคลื่อนไหวซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้เกาะอยู่กันอยู่อย่างนี้ การใส่ใจในส้นเท้าที่ยกขึ้นการใส่ใจในเท้าที่ก้าวไปการใส่ใจในเท้าที่เหยียบลงถ้ามันมีกําลังน้อยนั่นแสดงว่าจิตมันไปใส่ใจตรงอื่นเยอะเราก็หยุดและก็ฝึกซ้อมความรู้สึกที่จะนํามาใส่ใจที่เท้าให้มากขึ้นถ้าเรากําหนด ตรงนั้นไม่ค่อยได้เห็นการใส่ใจที่เท้าน้ะมันน้อยลงกว่าการลืมตาแล้วมองไปข้างหน้าเราลองหลับตาและหยุดเดินและลองขยับยกส้นขึ้นให้จิตรู้สึกและก้าวเท้าไปให้จิตรู้สึกเหยียบลงให้จิตรู้สึกในขณะที่หลับตายกส้นขึ้นใน้รู้สึกย่างไปให้รู้สึกเหยียบลงให้รู้สึกในขณะที่เราหลับตาเราก็จะเห็นการรู้สึก การเคลื่อนไหวของเท้าเราชัดมากขึ้นและเราก็ค่อยๆลืมตาและก็ดูการยกขึ้นใหม่ดูความรู้สึกที่ยกขึ้นย่างไปและก็เหยียบลงอีกครั้งหนึง่งมันดีขึ้นไหมถ้ามันยังไม่ดีขึ้นเราก็ฝึกซ้อมให้ความรู้สึกมันชัดขึ้นมาด้วยการหลับตาหลับตาแล้วก็ไปรู้การเคลื่อนไหวของเท้าหลับตาแล้วไปรู้การเคลื่อนไหวของเท้ามันก็จะทําให้ความรู้สึกของเราชัดขึ้นกว่ามากกว่าเดิม สังขารร่างกายของเราทุกคนตั้งแต่เกิดมาแต่ละพบแต่ละชาติมันใช้ในการทําอย่างอื่นเยอะมากใชใจใจใจใจใจพอสุดท้ายก็เผาเผาที่เผาไปทิ้งใจใจใจใจพอสุดท้ายแล้วก็เผาไขทิ้งน้อยครั้งน้อยเวลาบางพบบางชาติก็ไม่ได้ทําเลย ถ้าไม่ได้เจอกับพุทธเจ้าไม่ได้เจอพุทธศาสนาก็ไม่มีโอกาสบางภพ บ, บางชาติได้เจอแล้วพบแล้วกับพระพุทธเจ้ากับพุทธศาสนาแต่ไม่มีศรัทธาก็ไม่มีโอกาสแต่มาชาตินี้ได้มีโอกาสแล้วใช้ร่างกายอัตภาพนี้เป็นเครื่องมือในการจเจริญสติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้แล้วสติที่เกิดขึ้นก็จะตั้งอยู่ที่จิต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 รู้สึกในขณะที่ส้นยกขึ้นรู้สึกในขณะที่เท้าก้าวไปรู้สึกในขณะที่เท้าเหยียบลงเท้าจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตจิตจะรู้การเคลื่อนไหวของเท้าเกาะต่อเนื่องกันไปอย่างนี้เรื่อยๆสภาพธรรมอันใดที่ปรากฏในขณะที่จิตรู้การเคลื่อนไหวของเท้าจิตรู้สภาพธรรมนั้นตามความเป็นจริงว่ามันเปลี่ยนเพียงแค่เกิดขึ้นและก็ดับไป อะไรเกิดขึ้นมาในขณะที่จิตรู้การเคลื่อนไหวของเท้าสิ่งเหล่านั้นเอาอนิจจังจับให้หมดเลยเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปแค่รู้การเคลื่อนไหวของเท้าเท่านั้น ถ้าเราเคยติดในคำบริกรรมในขณะที่เรายกย่างคำบริกรรมมันโผล่ขึ้นมาไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องเสียหายนะแต่ให้เราเริ่มตั้งใหม่ด้วยการไม่ต้องบริกรรมเพื่อให้ที่จิตรู้เนี่ยมันมีกําลังมากกว่าการบริกรรม จิตที่รู้ในการเคลื่อนไหวของเท้ารู้ตัวนี้เป็นอนิสิตะเหมือนกันไม่มีตัณหาไม่มีมาณะไม่มีทิฏฐิอยู่ในรู้อันนี้รู้นี้เป็นรู้ที่มีความแผดเผาด้วยความเพียรขณะที่เราเพียรรู้การเคลื่อนไหวของเท้าทั้งซ้ายทั้งขวากิเลสอาสวะทั้งหลายรวมถึงแม้แต่นินวรณ์ที่มีอยู่ ที่ตามปกติจะมาทำงานอยู่กับจิตเมื่อจิตเสวยอารมณ์อาสะวะและนิวรณ์เหล่านี้จะมาร่วมด้วยกับการเสวยอารมณ์ของจิตอยู่ตลอดเวลาเป็นอกุศลมั่งเป็นกุศลมั่งเป็นส่วนของบุญมั่งเป็นส่วนของบาปมั่งแต่ก็ยังเป็นอาสะวะอยู่ดีแต่รู้ที่รู้การเคลื่อนไหวของเท้าที่เรากำลังรู้สึกอยู่นี่มันเป็นรู้ ที่แผดเผาอาสวะเหล่านั้นไม่ให้สามารถออกมาทํางานได้ความพอใจก็ไม่มีความไม่พอใจก็ไม่เกิดมันแค่รู้อยู่กับสิ่งที่ถูกรู้ยกส้นขึ้นรู้สึกก้าวไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกส้นขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึกยกส้นขึ้นรู้สึกย่างไปรู้สึกเหยียบลงรู้สึก ต่อไปนี้ท่านใดที่เดินไปจนถึงจุดเริ่มต้นของตัวก็หยุดแล้วคลายออกจากการเดินจงกรมหยุดพักได้ให้เดินกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของตนก่อนด้วยสติที่ไม่รีบร้อน เมื่อถึงที่สุดคือจุดเริ่มต้นของตนหยุดพักได้แล้วก็ไม่ส่งเสียงหยุดพักด้วยสติ เมื่อหยุดพักแล้วก็พักไปหนึ่งชั่วโมง